มิลินทะปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทะปัญหาปฐมวัคอันตรกายปัญหาที่สี่ อันตกายะอมาถามว่าชื่อน้าเกษตนั้นไม่ได้จัดเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรืออันตกายะอมาตนั้นจึงถามปัญหาพระน้าเกษตองค์เอกอรหันว่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้ากล่าววานี้ว่าชื่อของพระผู้เป็นเจ้าชื่อน้าเกษตแต่ว่าชื่อน้าเกษตนี้ไม่ได้จัดเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี่แหละข้าพเจ้าสงสัยพระน้าเกษตจึงถามอันตกายะไปว่า ท่านเข้าใจว่าอะไรชื่หน้าคาเซนอันตกายะจึงกล่าววาจาว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าเข้าใจว่าลมหายใจเข้าออกในกายนี้ยังมีอยู่ตราบใดก็ชื่อว่ามีชีวิตอยู่เหมือนอย่างพระผู้เป็นเจ้าชนี้มีชีวิตอยู่ได้ชื่อว่าหน้าคาเษนขณะนั้นพระหน้าคาเซนจึงถามว่าดูกะระอมาตอัตมาจะถามท่าน ถ้าแม้ว่าลมระบายหายใจออกจากกายไม่ได้กลับเข้าภายในกายคนคนนั้นจะตายหรือว่าหาไม่ได้อันตรายะอมาจิงว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าลมไม่เข้าไปภายในกายลมออกไปภายนอกกายไม่กลับเข้าไปภายในกายแล้วผู้นั้นก็ตายพระนาคเษนองอารหารันท่านจิงว่าถ้าฉะนั้นดูกระอันตรายะคนที่เป่าตแตร เป่าสังทั้งหลายลมออกนอกกายจะมิตายสิ้นหรืออันตากายะอมาตว่าไม่ตายพระนาคเสนองค์อรหันจึงว่าดูกระร้อันตากายะเหมือนช่างทองทั้งหลายเป่ากล้องประสานทองก็ดีคนพวกนี้ลมออกนอกกายไม่กลับเข้าในกายนี้จะตายหรือประการใดอันหนึ่งเล่าคนที่เป่าปีกรณี จะไม่ตายหรืออันตากายะจริงว่าไม่ตายพระนาคเษนจริงว่าดูกะระอันตากายะเออท่านสิว่าลมออกนอกกายไม่เข้าไปภายในกายแล้วก็ตายก็ทำไมคนทั้งหลายที่เป่าตแตรและเป่าสังคนทั้งหลายที่เป่ากล้องประสานทองและคนที่เป่าปีคนทั้งหลายนี้ลมออกนอกกายจึงไม่ตายเล่า เพราะเหตุอย่างไรอันตกายะก็จนใจไม่รู้ที่จะแก้ไขจึงว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าไม่เข้าใจนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าแก้ไขออกให้แจ้งเถิดข้าพเจ้ารู้อะไรจะไปตอบโต้ถ้อยคำกับพระผู้เป็นเจ้าเล่าครั้งนั้นพระนาคเษนจึงว่าดูกะระอันตกายะท่านว่าลมนี้คือลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกนี้ เป็นกายะสังขารอันตกายะจึงถามพระนาคเกษว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้ากายะสังขารตั้งอยู่ที่ไหนพระนาคเกษจึงบอกให้ว่ากายะสังขารนี้มีในขันตั้งอยู่ในขันว่าแล้วเท่านั้นพระนาคเกษก็สำแดงธรรมเทศนาแก้ไขให้อันตกายะอมาตฟังอันตกายะตั้งใจสนาการไป ก็มีจิตเลื่อมสยโสมนัศสศรัทธาเขารบพระศีรัตนไตรเป็นอุบาสกในพระาศาสนาตกว่าพระนาคเซนว่าลมอัดสาสะปัดสาสะคือลมหายใจเข้าออกนี้เป็นกายสังขารถ้าแหละท่านทายกไม่เข้าใจว่ากายสังขา น, นี้คือลมบำรุงกายในยะหนึ่งว่าลมหายใจเข้าออกนี้เป็นรูป เนื่องมาแต่มหาภูตรูปคือวายูธาตุลมหายใจเข้าออกนี้เรียกว่ากายจะถือว่าเป็นชีวิตนั้นไม่ควรและกายะสังขารคือลมหายใจเข้าออกนี้ก็ตั้งอยู่ในขันทั้งห้ามีรูปประขันเป็นต้นอธิบายทั้งนี้จะให้เข้าใจว่ากายะสังขารนี้เป็นชื่อแห่งลมหายใจเข้าออกโลกจอมพูดกันว่าเราท่าน ทุกวันนี้มีลมหายใจเข้าออกอยู่ก็ว่าคนและคำอันนี้ว่าแต่พอจะให้เห็นพระทุกขังพระอนิจจังพระอนัตตาแต่ว่าลมหายใจเข้าออกนี้จะถือว่ามีพร้อมกันอยู่แล้วเรียกว่าเป็นชีวิตนั้นไม่ได้เป็นแต่บำรุงกายบำรุงชีวิตและลมหายใจจะเป็นชีวิตหาไม่ได้ อันตร า, ายปัญหาเป็นคำรบสี่จบเท่านี้